เลยค่ะมาค่ะวันนี้นะจะเป็นภาพยนตร์เรื่องที่เราทั้งสองคนได้ดูแล้วสนุกมากสนานเฮฮากันไปวันนี้ก็จะเป็นหนังไทยนะสำหรับของดิฉันนะก็คือเรื่องที่กำลังแบบฮอตฮิตมากนะแฟนโซนระวังสิ้นสุดทางเพื่อนโัวดำเสียงแบบในอันนี้ด้วยทำเสียงแบบในใน สนามบินด้วยไปดูนะก็โอคนเต็มโรงเลยอาจจะว่าสัปดาห์ที่ฉันไปดูก็คือสัปดาห์ที่พึ่งใช่ก็คืออาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะว่าเขาฉลองเปิดด้วยวันวาเลนไทน์ไปดูวันวาเลนไทน์ใช่ไปดูหลังจากวันวาเลนไทน์เสียงต่ลงมาหน่อยเสียงสูงขึ้นหมนะแต่เอาเป็นว่าประเด็นที่ไปคือเอาเป็นว่าก็ได้ได้รับผลตอบรับดีนะจาไม่ได้ว่าตอนนี้ยอด ยอดเท่าไหร่ยอดเท่าไหร่แล้วนะก็มีคนลุ้นว่าจะถึงร้อยล้านไหมรอบลอบเขาว่าถี่ยิบมากป้าดูที่เซนท์เทมเบอร์ตัวเองดูที่เซนท์เทมเบอร์ว่าเปล่าดูที่เ<อ>ทอร์มินอลรอบนี้แบบว่าทีที ท, ทีเกือบทุกครึ่งชั่วโมงคอไก่บอกลแล้วแบบ<อ><อ>ว่าถ้าพี่พลจะไปดูอะก็เช็กลอบนิดนึงเพราะว่าคนเต็มมาแล้วแล้วมันเต็มจริงๆวันที่ไปดูอาจจะเป็นวันที่ไปดูเนี่ยมันเป็นวันวันหยุดวันเสาร์ แต่ป้าป้าไปดูวันอาทิตย์ก็ก็ไม่ไม่เต็มแล้วนะคนไม่เยอะใช่มไหมกลางกลางไม่ถึงจะน้อยแต่ไม่ถึงจะเยอะไม่นี้ตัมโลอันนี้คือไม่ได้จองล่วงหน้าแล้วก็จังหวะที่จะไปดูก็คือแบบจวนแล้วไงคือเขาอยู่แถวบริเวณนั้นก็กดลองหาหาโรงหารอบที่แบบจะไปได้เนี่ยก็คือมันอยู่แถวหน้าหมดแล้วอ่ะบางบางโรงอ่ะอก็ดีใจกับหนังไทยเนาะก็ดีใจด้วยนะก็จะได้ไม่ขาดทุนจะได้ทำมีเงินมาทําหนังดีๆให้เราดู ก็ตามสไตล์ G D H ใช่ไหมที่บอกว่าเป็นหนัง feel good romantic comedy feel good นะซึ่งพ่วงกับก็คือคุณหมูพี่ชายของไก่ในชยานบุญประกอบนาเหมือนกันเลยคล้ายๆเพิ่งไปดูเพิ่งไปดูประวัติของคุณหมูนะก็คือจบนิเทศจุฬาเหมือนกันคือบ้านนี้เขาเป็นอะไรแหมพูดประโยคเดียวกันเลยเราชอบหนังของเขาเรื่องซักซีอ่าใช่ซักซีเป็นหนังที่ชอบมากและเมไนไฟแรงเฟสดีฉันก็ดูฉันดูเกืบหมดน่ะ เดี๋ฉันยังไม่ได้ดูเมไหนเดี๋ยวจะไปตามหาเมไหนนักรักนี่เขาจะมักจะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ไม่มีแอนิเมชันเข้ามานะปกติจะมีนมีมีทั้งเมไหนทั้งไอซักซีดเนี่ยก็ทีนี้เรื่องราวเนี่ยก็ตามชื่ออะไรนะคะก็คือเฟรนด์โซนเนี่ยเป็นเรื่องราวของความรักของชายหญิงที่เป็นเพื่อนกันนะมันจะชอบมีคําบอกว่าผู้ชายกับผู้หญิงเป็นเพื่อนกันไม่ได้ใช่ ชิที่ฉันว่าจริงๆเขาก็เป็นเพื่อนกันไม่ได้จริงๆโอ้ไม่หมายถึงว่าชายกับหญิงตามหมายถึงว่าตามตามเขาเรียกอะไรตามตามเพศเหรอตามสตรีตามเพศสภาพหรืออะไรก็เป็นได้เป็นได้เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าอ่ะประเด็นนี้ก็คืออ่าเป็นน่าจะเป็นเมนเมนหลักของของเรื่องนะก็คือเรื่องของชายหญิงที่ว่าเป็นเป็นเพื่อนเพื่อนสนิทกันนะแต่ว่า กลายเป็นว่านะฝ่ายชายของเราเนี่ยพระเอกของเราเนี่ยซึ่งก็คือน้องนายน้องนายนะเอ๊ะชื่อจริงชื่ออะไรนะนภัสเสียงสมบูรณรับบทเป็นปาล์มนะปาล์มก็เกิดความรักเพื่อนจริงๆก็น่าจะพูดว่าก็รักมานานแล้วแหละเนาะรักตั้งแต่มัธยมแล้วคือยอมตลอดตั้งแต่มัธยมซึ่งความรักนี้มันก็แบบ มันก็ดูแล้วมันก็อาจจะพัฒนามาจากเพราะว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็จะรู้รู้ใจรู้พัฒนากันมาอะไรอย่างนี้นะซึ่งเข้าอกเข้าใจซึ่งนางเอกของเราก็คือพิมกิ๊งกิ๊งใบเฟินน้องใบเฟินพิมชนกหรือวิเศษไัยบูลนี่สารภาพตามตรงนะก็ไม่รู้จักใบเฟินไม่ไดดูตั้งแต่สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักเห็นไหมและมาแฟนตัวจริงท้ายๆก็คือเรื่องหลงไฟซึ่งแรง ก็เป็นละครใช่ไหมเป็นละครของ GTS เอ้ยของ GMM แล้วก็มาเรื่องอีกเรื่องอะไรนะยุทธการปราบนางมานี่ไม่ไหวน้ําเน่าเพื่อนแต่ลงไฟอะดีเล่นเพราะฉะนั้นก็มาเล่นเรื่องนี้รับบทเป็นอนางเอกนะที่ที่ดูจะแบบมีความรักกับคนอื่นก็เรื่องอะรมีความรักไปมีความรักกับผู้ชายคนอื่นที่ที่ก็คือไม่รู้ว่าเพื่อนตัวเองนั้น แต่ดิฉันว่าอาจจะรู้ก็ได้รู้หรือไม่รู้ก็ไม่แน่ใจแต่ก็มีความสุกว่าก็คือรู้ว่ารู้ว่าเพื่อนสนิทเนี่ยเพื่อนชายที่สนิทเนี่ยจะปามเนี่ยหลงรักเราคิดว่าแบบเหมือนว่าปามมันเป็นของตายพระเอกก็เป็นของตายยังไงก็จะต้องมาแบบว่านางเอกก็เลยนางเอกก็เลยแบบไม่สนใจใช่แล้วก็แบบทิ้งทิ้งข้องควงไปมีไปมีรักอื่นไปมองหาความรักจากข้างนอกซึ่งผู้ชายที่มารับบท แฟนของ<ด>กินนะก็คือเท็เนีเท็ดซึ่งก็อแสดงโดยคุณ Jason Young. เ, เจสัญยังตลกเจสัญยังตลกดีเจสัญยังนี่สมัยสาว ส, สาวช่วบายชิสาวสา ว, สาวนี่คืออู้น่ารักน่ารักหลออะไรอย่างงี้ยตอนนี้ก็หล่อแต่หน้ามันดูตลกอ่ะไม่รู้ดูในบทก็เล่นแบบเป็นแบบเป็นแฟนของของนางเอกที่แบบทําทําตัวหรือทําตัว ให้ลึกลับคือในหนังก็พยายามทําให้ลึกลับว่าแบบจะมีไหม <g iven> จะมีผู้หญิงใหม่ไหมอะไรอย่างนี้ส่วนนางเอกของเราก็เป็นแบบคนขี้ระแวงอะไรอย่างนี้ก็ตามสไตล์จริงๆมันมีเหตุไงที่มันจะต้องระแวงนึก อ, ออกไหมคือเริ่มต้นจากพ่อออ๋อ um, อ่ะก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าฉากเปิดเนี่ยก็เป็นฉากที่ที่จับผิดพ่ออ่าเป็นฉากที่แสดงให้เห็นแบ็กกราวน์ของนางเอกแล้วก็แสดงให้เห็นความความสัมพันธ์ของ นางเอกของเราฉากน้ฉากนั้นนะก็เลยใช้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นปมส่วนหนึ่งนะของของนางเอกของเราใชส่วนถ้าจะมาอีกก้อนหนึ่งที่เราต้องพูดก็น่าจะเป็นแก๊งแก๊งเพื่อนไม่ใช่แก๊งเพื่อนพระเอกสิแก๊งเฟรนโซนอ่ะเพราะเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกันเขาเพิ่งมารู้จักกันในในงานในงานแต่งงานซึ่งเอ้าอย่าพูดสิโอเคเอพอก็สปอยล์สิป้าก็คือแก๊งก็คือแก๊ง แก๊งเพื่อนพูดง่ายๆแก๊งที่เป็นเฟรนด์โซนเหมือนกันนะเพราะว่าแก๊งนี้ก็ถูกอยู่ในเทรลเลอร์เหมือนกันนี่ก็คืออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าเป็นแก๊งเดียวกันนะพบชะตาเดียว ก, กันกับพระเอกของเรานะที่คิดว่าเพื่อนร่วมชะตากรรมใช่ที่คิดว่าแบบเราเป็นได้แค่เพื่อนอเป็นมากไปกว่านี้ไม่ได้นะทั้งสามคนนั้นก็มีดูมีความตลก กระจายอยู่ในอยู่ในเรื่องนะเพราะว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินเรื่องด้วยนะเพราะฉะนั้นก็มีความขําขันนะแล้วก็ถือมันจะมีมันจะมีเคยไปอ่านทันทิปนะก็จะมีคนแบบมาโพส์อกว่าเอ๊ะทาไมในแก๊งต้องถือแก้วเบียร์สองใบก็ถือให้เพื่อนนะไปดูเอาว่าทำไมต้องถือแก้วเบียร์สองใบไว้รับใช้มันมีคําตอบว่าทำไมต้องถือทําไมทั้งทั้งแก๊งน่าต้องถือแก้วสองใบมันจะมีคําตอบอยู่จริงมันก็กลายเป็นกลายเป็นมุกไปเลยนะกลายเป็นแบบ มุกถือแก้เบียร์สใบเป็นมีมาว่าแบบเออใช่พอเราอ่านในแบบสื่อโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะแบบมีการแบบมีการเหมือนกับพูดคุยเรื่องเนี้ยว่าอีกหน่อยไปงานแต่งงานเนี่ยแบบจะต้องถือแก้วเบียร์สองใบหรือเปล่าอะไรแบบนี้กลายเป็นมุกนั้นไปนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเ่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะจะหนังก็ตามสไตล์ G D H นะก็แฮปปี้เอนดิ้งอืมอย่างนี้ก็ไปดูกันว่าจบจบแบหนจเราอยากดูหนัง G D ซึ่งมันจบแบบไม่แฮปปี้อนดิ้งบ้างคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันว่ามันจะมีวิธีอื่นไมคือเขาไม่มีเรื่องไหนที่ไม่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเลยนะแม้แต่เรื่องเดี๋ยวเขาดาวอะเรื่องเขาดาวดูมันแนวแบบ t ิลเลอร์มากเลยนะแต่ก็จบโอ้ยแน่นอนอยู่แล้วพอดีเรื่องนี้ป้าป้ามีข้อสังเกตอีกนิดนึงเนื่องจากเลตติ้งที่ให้ก็คือสิบามบวก สิบ้าสิบห้าบวกเหรออ่าสิบห้าบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดีว่าดิฉันพาลูกไปด้วยนั่นแหเพราะว่าถามจะพูดว่าไงคือเราแต่เราเข้าใจเนะเรคือคนอ่ะจะมองว่าหนังเรื่องนี้ยก็สนุกหนังสนุกหนังน่าสนุกกุ๊กก้บวกกับ สตมยี่หอขง GDS ซึ่งซึ่งค่อนข้างจะเป็นหนังฟิลโกลด์แต่ถ้าเราดูลึกๆเข้าไปเราว่ามันบางทีมันก็จะมีพาติกรรมที่มันมันเป็นหนังรักที่สนุกที่ดีที่ฟิลโกลดแต่มันเหมาะสําหรับคนหนุ่มสาวก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะติงไว้นิดนึงสําหรับใครที่มีลูกเล็บางทีมันมีพฤติกรรมบางอย่างซึ่งลองคิดว่ามันไม่เหมาะสําหรับเด็กอืม สำหรับเด็กด้วยนะสำหรับเด็กใช่แต่กับผู้ใหญ่เป็นเรื่องปกติอ่าถูกเพราะฉะนั้นก็ติงว่านิดนึงแต่เผอิญก็หลวมตัวไปแล้วนะลูกชายไปดูแล้วเรียบร้อยนะลูกชายก็ดูเสร็จแล้วนะออกมามีคําถามสองข้อนะบอกว่าคำถามข้อแรกนะแม่นะผู้ชายต้องเป็นฝ่ายขอผู้หญิงแต่งงานเหรอประสุกเครียดเลยประสุขไม่รู้อยู่ๆก็มีคําถามนี้ขึ้นมานะว่าเพราะในเรื่องก็จะมีเรื่องของการขอแต่งงานชายขอแต่งงานนั่นนี่นี่นะก็ดิฉันก็บอก ก็ตอบไปว่าไม่จะเป็นหรอกนะผู้หญิงก็ขอได้นะแต่กทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยก็น่าจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของทั้งสองฝ่ายแต่คือในหนังมันเป็นแบบก็หนังก็เป็นอย่างนั้นอ่ะเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอันนี้ประทับใจมากนะก็คือแม่พี่ยากนั่งเอกก็ถือถุงผ้าไปช็อปปิ้งด้วยเนื่องจากคุณแม่คอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของสินแอดลอมสกิ๊ ผสมผู้ดูช oh, uh huh. ื่นชมเนอะน่าลักมากเลยแม่ใหญ่แบโออันนี้ขอชื่นชมนะไม่นับ่าในหนังเนี่ยเขามีการทายอินโฆษณาเนี่น่าจะเป็นนิมิตใหม่ของการทําหนังหมายถึงหนังไทยที่โฆษณาเยอะาแบบไม่ใช่โฆษณาเยอะโฆษณาแบบรู้เลยว่าโฆษณาออมันมีมากกว่านี้ใช่ไหมมีมันตั้งนานแล้วดีฉันอาจจะอาจจะจับเพราะว่าอย่างมุกไม่ได้โอ้โหมีเยอะแยะมากอย่างเอาเอานึกหนังเรื่องฝันหวานไอจู น้าเป็นหนังแบบว่าหนังซอยๆเดี๋ยวๆก็กินมามาเดี๋ยวๆก็กินมาม่ามามาครับออย่างเงี้ยแล้วก็ก็ๆหน้าของ GDS เนี่ยโฆษณาแซ่ย่อยๆลองไปดูแล้วกันนะว่าโฆษณามีทั้งหมดกี่แบรนออให้ทํากันบ้านไตัแต่เราเรางว่าหนังเรื่องนี้จริงๆเค้าวางเอาไว้เพื่อที่จะขายตลาดอาเซียนเนาะ เพราะมันจะมีตัวละครที่เป็นพม่าเป็นมาเลเซียเป็นเวียดนามไม่ใช่ไหมร้องอ่ฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยคือกะเลยอ่ะเงี้ยไปได้เลยสบายเขาคงวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วล่ะแต่ก็ขอชื่นชมว่าทีมงานที่ทําภาพยนตร์เรื่องนี้คิดภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คอนเซิร์นถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมอันนี้ขอชื่นชมจริงๆจับใจจริงนะใช่ไหมและการที่เออถ้าเรเน้นฉากนี้นะในเรื่องอ่ะ บุคลิกของตัวละครเนี่ยเป็นคนยังสมัยทั้งสวยทั้งหล่อดูดีการศึกษาทุกอย่างและหิ้วถุงผ้าไปไปซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งซึ่งซึ่งดีนะแล้วเขาก็ทำแล้วเขาก็ทํำชอปปิ้งเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตซึ่งไม่ได้รู้สึกว่าแบบแมมฉันไปสร้างวีรกรรมอะไรก็ได้ฉันไม่ได้ต้องการจะเป็นฮีโร่แต่คือฉันทําแบบเนี้ยเป็นปกติคือดูแล้วแบบโอ้ถูกต้องมาอันนี้กดแบบโอ้โหกดไลค์รวโอ้โหชอบมากๆอ่ะคุณผู้ฟังนะลองดูก็แล้วกันนะถ้าถ้า มีเวลาว่างจิ้งก็หาเวลาไปดูสำหรับอ่าภาพยนตร์เรื่องเฟรน d z โ n e เรื่องเฟรน d Zone เราว่ายังอยู่น่าจะยังอยู่อีกสักพักสักพักใหญ่ๆเลยล่ะหนังไทยดีๆเราก็ชักชวนกันก็น่นร่าค่ะคือคือจะว่าไปหนัง GDS เนี่ยก็ดูแล้วมันก็สบายๆดูแลสนุกสนุกรีแลกเป็นความบันเทิงที่ดีแหละได้นะก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะจ้า